อาทิตย์ที่แล้วนะเราทราบดีนะเป็นวันแม่ก็มีการทำกิจกรรมหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เป็นการไปกราบเท้าหรือว่าไปแสดงความเคารพขอบคุณในความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็มีหลายแห่งน ะ, ะเขาก็ทำมากกว่านั้นนะมีเด็กหลายคนทีเดียวนะ ผู้หญิงผู้ชายไปกราบเท้าแม่เพื่อขอร้องนะให้เลิกเหล้าเลิกเบียร์หลายคนก็เขียนจดหมายนะจดหมายรักถึงแม่นะเขียนด้วยลาหมือของตัวเองแล้วก็บอกรักแม่บอกขอบคุณแม่แล้วก็บอกเป็นห่วงแม่อยากให้แม่ก็ภาพดีมีอายุยืนนะอ่านะ อยู่กับลูกๆไปนานๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้แม่เนี่ยได้ช่วยช่วยเลิกเหล้าเลิกเบียร์ด้วยเพราะว่าแม่หลายคนนะประทับใจนะซาบซึ้งในความรักของลูกแล้วก็ตัดสินใจนะที่จะเลิกเหล้าเลิกเบียร์นะลูกๆ ก, ก็ดีใจกันมากนะแล้วแม่ก็จะเรียกว่ามีความสุขก็ได้นะที่ ได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยของลูกแม่หลายคนนก็พยายามนะที่จะเลิกเหล้าเลิกเบียร์เพราะร่วมันไม่ดีอ่ะเรื่องความรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้นะว่าเราเนี่ยมันหรือเบียร์เนี่ยมันไม่ดียังไงบ้างไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้วก็มีผลเสียหายต่อฐานะการเงิน รวมทั้งมีผลกระทบต่อ ก, การงานรู้หมดนะเดี๋ยวพอเรื่องอันตรายถึงชีวิตเนี่ยของโรคที่เกิดจากเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ก็เลิกไม่ได้นะทั้งๆที่ทางการก็พยายามที่จะชี้นะว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างนะโรคตับแข็งมันน่ากลัวอย่างไรบ้างโรคมะเร็งเนี่ยมันร้ายแรงอย่างไรบ้าง บางทีโชว์ภาพให้ดูนะภาพตับที่มันเสียพอเล่าเนี่ยแต่หลายคนก็ไม่ยอมเลิกหรือว่าเลิกไม่ได้แต่เป็นเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งเพียงพอหรือก็คิดว่าอย่างงั้นอย่างนั้นล้เออนะมันเป็นปัญหาอีกสามสิบปีข้างหน้า ตอนนี้ฉันขอสนุกสนานนะฉันขอเพลิดเพลินก่อนความทุกข์ความเจ็บป่วยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นะมันเกิดขึ้นอีก30ปี20ปีข้างหน้าเอาไว้ก่อนความทุกข์ที่อยู่ไกลเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยเห็นว่าน่ากลัวนะไอ้ความทุกข์ที่อยู่ใกล้ต่างหากที่มันน่ากลัวความทุกข์เพราะว่าอดเล่าความทุกข์เพราะ ไม่ได้เฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนหรือความทุกข์เพราะลงแดงเมื่ออดเล่าเนี่ยโอ้นี่มันปัจจุบันทันทีนะหรือว่าวันนี้วันพรุ่งเนี่ยคนก็จะเจมันน่ากลัวแล้วก็หักห้ามใจได้ยากแต่พอได้เจอคาขอร้องของลูกนะไอความรักลูกเนี่ยมันผุดขึ้นมาเลย ลูกห่วงแม่แม่ก็ห่วงลูกแม่ก็รักลูกให้ความรักลูกเนี่ยมันทำให้แม่หลายคนเนี่ยนะมีกำลังใจที่จะเลิกเล่าได้มันเป็นพลังฝ่ายบวกนะที่สามารถจะทำให้คนเรายับยั้งใจไม่ทำชั่วหรือทำสิ่งที่เป็นโทษแต่ว่าเกิดกำลังใจแรงผลักดันที่จะทำความดีมันมีพลังอยู่สองอย่างนะ ที่ทำให้คนเราเนี่ยทำดีแล้วเป็นความชั่วเนี่ยอันนึงคือพลังฝ่ายบวกเช่นะความรักความห่วงลูกอันนึงพลังฝ่ายลบนะคือความกลัวกลัวป่วยกลัวเจ็บกลัวเป็นโรคมะเร็งนอันนี้คนก็ใช้พลังฝ่ายลบนะมากนะในการที่กระตุ้นให้คนเนี่ยเลิกเล่านะแต่พอมันก็ไได้ผลนะ มันก็ได้ผลคนจํานวนนึงแต่คนอีกมากนี่ไม่ได้ผลนะพลังลบเนี่ยความกลัวเนี่ยแต่ว่าพลังบวกนี่มันมีอนุภาพนะพลังบวกความรักความห่วงลูกนะอยากจะอยู่กับลูกไปนานๆไม่อยากจะให้ลูกผิดหวังในตัวแม่ในตัวพ่อไอ้พลังบวกเนี่ยมันก็มีอนุภาพทำให้หลายคนเนี่ยกลับตัวกลับใจนะเป็นคนดี บางคนเป็นผู้ร้ายนะเป็นโจนปรปล้นนะบางทีเป็นฆาตรกรรับจ้างยิงหรือฆ่าคนนะแต่พอแต่งงานมีลูกนะให้ความห่วงลูกนะกลัวว่าถ้าตัวเองตายเพราะว่าถูกคนแก้แค้นเนี่ยจะไม่มีคนดูแลลูกมันก็ทำให้ เปลี่ยนใจนะเลิกอาชีพเนี้ยไอตอนเป็นโซนเนี่ยมันไม่กลัวตายนะเพราะว่าตายก็ตายคนเดียวที่จริงไม่ใช่นคนเดียวนะพ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นึกไม่ถึงนะหรือพวกรถร ถ, รถแก้งรถสิ่งอะนะพวกเนียใช้พฤติกรรมมีพฤติกรรมเสี่ยงนะขับรถอันตรายเพื่อความมันเพื่อความสนุกที่ถึงแต่ตัวเองนะ แต่พอมีลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเกิดความยังช่างใจขึ้นมาว่าถ้าเกิดตายขณะที่ยังหนุ่มเนี่ยนะแล้วลูกจะเป็นอย่างไรนะไอ้ความรักลูกเนี่ยมันทำให้หักข้ามใจได้นะแม้ว่ากิเลสมันจะผลักดันไปอีกทางหนึ่งนะแต่ความรักลูกมันก็สามารถจะทำให้เอาชนะกิเลสได้เอาชนะความหลงเอาชนะความประมาทได้ เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ก็มีเด็กหลายคนนะก็ทํำคล้ายๆกันนะเขียนจดหมายถึงพ่อขอยพ่อเลิกเหล้านะเพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาย้ายพ่อเนี่ยงดเหล้าหรือเลิกเหล้าเข้าพรรษามัมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะอายุเจขวบนะเขียนดีนะเพราะว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ครูได้ให้ผมเนี่ยทดลองเอาตับไก่ไปแช่แอลกอฮอล ตับมันดำเลยนะนึกถึงพ่อเนี่ยว่าพ่อกินเหล้าบ่อยๆเนี่ยตับจะดําเหมือนตับไก่เนี่ยที่หนูเห็นเป็นห่วงพ่อนะขอให้พ่อเลิกเหล้าโอ้ยพ่อทราบซึ้งใจมากนะนะพ่อหรือผู้ชายหลายคนก็เลิกเหล้าได้เหมือนกันนะเพราะว่าลูกขอร้องเพราะว่าห่วงลูกนะไอ้คําขอร้องของลูกเนี่ยมันมีพลังนะ หรือฉพาเป็นคําขอร้องที่ไม่ใช่เป็นการตําหนิพ่อนะหรือตําหนิแม่แต่ว่าเกิดจากความห่วงใยอยากจะให้พ่อแม่อยู่กับลูกไปนานๆและความรักลูกนี่มันมีพลังนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะทีะ่กิจกรรมนี้นะครูแล้วก็โรงเรียนหลายโรงเรียนก็สนับสนุนริเริ่มนะปกติโรงเรียนหรือครูเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะว่า ครอบครัวของลูกของนักเรียนจะเป็นอย่างไรสนใจแต่ลูกหรือนักเรียนว่าการเรียนจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้สนใจไปถึงขั้นว่าเนี่ยเขามีความสุขไหมครอบครัวหรือพ่อแม่ก็เป็นอย่างไรนะเด็กบางคนก็เครียดพ่อพ่อแม่ติดเล่าแต่ว่าโรงเรียนหรือครูหลายแห่งไม่สนใจนะเพราะถือว่านาที่อย่างฉันเนี่ยอยู่แค่ในบริเวณโรงเรียนนะส่วน เลยพ้นกำแพงโรงเรียนไปนี่ไม่เกี่ยวกับชั้นละแต่หลายโรงเรียนเนะีเขารับผิดชอบนะอยากจะให้ลูกเนี่ยนะมีความสามัคคีกับพ่อแม่อยากจะให้ครอบครัวของนักเรียนนะมีความอบอุ่นก็เลยชักชวนนะให้นักเรียนเนี่ยนะาหาทางไปขอร้องช่วยให้พ่อแม่เลิกเล่าแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะ ใช้อุบายนะสอนให้นักเรียน เ, นยเห็นนะว่าไอ้เหล้านี่มันอันตรายยังไงบ้างอย่างครูเนี่ยเอาตับไก่เนี่ยมาแช่แอลกอฮอลให้นักเรียนดูนะให้เห็นว่าเนี่ยแอลกอฮอลนี่มันทำร้ายตับยังไงบ้างพอเด็กเห็นนะไม่ต้องอธิบายมากเลยนะมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวพ่อจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะเป็นการให้ความรู้ประเภทว่า ไม่ใช่พูดให้ได้ยินนะแต่ให้เห็นด้วยตาเลยเป็นการสาธิตที่มันทำให้เด็กเนี่ยเกิดความต้าหนักถึงโทษของเหล้าอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่พูดไปเปล่าๆนะว่าเหล้ า, ล า, ลามันทาให้คนเราตับแข็งนะหรือว่าเป็นโรคมะเร็งแต่ว่าสาธิตให้ดูเลยอย่างาง่ายๆนะก็ทำให้เด็กเนี่ยนะเกิดความกระตือรือร้นเกิดความห่วงใยพ่อแม่จริงๆนะ อันนี้ก็เรืว่ามีวิธีการสอนนะหรือว่ามีวิธีการกระตุ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้นะที่ดีนะการเรียนรู้ที่ดีมันไม่ได้เกิดจากการที่ท่องเอาหรืออาจจะตํำรานแต่การที่ได้เห็นของจริงนะหรือเกิดจากการทดลองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายที่ดีนะเป็นวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีของครูซึ่งก็แน่นอนนะก็ต้องเกิดจากการสับสนของโรงเรียน ถ้ามีโรงเรียนแบบนี้เยอะๆนะที่ห่วงใยนะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นนักเรียนนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ครอบครัวของนักเรียนมีความอบอุ่นนะอย่างน้อยๆก็เนก็มีสีลห้าเลิกเหล้าเพราะมันก็จะส่งผลนะต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียนเด็กก็จะเรียนดีนะไม่กลุ่มไม่เครียด แล้วก็สามารถจะกลายเป็นคนดีที่มีสุขภาพจิตดีด้วยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนของครูเหมือนกันนะไม่ใช่สนใจแต่เรื่องของคะแนนหรือการเรียนในเรื่องการชักชวนพ่อแม่ให้เลิกทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะที่ทาออ่าไฟายเคยมีมาแล้วนะเด็กๆ เ, เนี่ยไปขอร้องพ่อแม่ให้เลิกยินนกนะ เมื่อสาปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของชมรมเด็กรักนกนะย่างเนี่ยรักนกพราะอะไเพราะว่าดูนกเป็นประจําแล้วเกิดเห็นความน่ารักของนกแต่ก่อนเห็นนกทีไรนี่ยิงนะตอนหลังเนี่ยเห็นนกแล้วเนี่ยเออเห็นมันน่ารักนะไม่ได้คิดถึงนกย่างนะแต่ก่อนเนี่ยนึกถึงแต่นกย่างก็ยิงอย่างเดียวหรือบางทียิงเอาสนุกนะแต่พอได้ดูนกแล้วเห็นนกน่ารักสงสารนกอยากจะให้นกนี่ได้อยู่คู่ ป่าคู่ธรรมชาติพ่อนกนี่ก็เป็นนักปลูกต้นไม้ด้วยเกิดความรักนกขึ้นมานี่ก็อยากจะช่วยพิทักษ์รักษานกและพอรู้ว่าพ่อแม่นี่ก็ชอบยิงนกนะก็พากันไปหาพ่อแม่เลยนะไปที่บ้านเลยพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนนะขอร้องพ่อแม่ให้เลิกยิงนกเด็กก็พูดได้ความจริงใจนะเพราะว่ารักนกจริงๆนะไม่ใช่แค่มีใครไปสอนไปบอกแต่มันเกิดจากสานึกของเด็ก นะแม่พอเด็กทำอย่างนี้เข้าพ่อแม่หลายคนนะก็ห่วงลูกรักลูกนะก็ยอมเลิกยิงนกนะถ้ามาไฟหวานเนี่ยก็เลยทให้ก็เลยมีนกมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้ความอนุรักษ์ความสนใจอนุรักษ์นกและอนุรักษ์ป่ามก็เพิ่มพูนมากขึ้น